ในครั้งพุทธกาลองค์ที่อยู่ไกลอยากจะมาจำบรรษาอยากจะไปจำบรรษาอย่างสมมุติว่านะโคราชอย่างนี้แหละแต่เราอยู่ไกลนะแต่ในใจของเราอยากจะไปสัมบรรษาที่นั่นเ้วก็พยายามเดินไปตั้งใจเอาไว้ว่าเออจะเข้าไปเจ้าจะเข้าพรรษาหลังเข้าพรรษาหลังก็คือเดือน9เพนตั้งแต่เดือน8เพนไปอีกเดือนหนึ่งเดือน8ดับ15วันใช่ไหมละ่ะ เ, เดือน9เพนเนี่ยมันเป็น1เดือน นี่ละเข้าพรรษาได้ในวันนี้แต่ว่าพรรษาหลังห่างจากเข้าพรรษาแรกหนึ่งเดือนเมื่อเข้าพรรษาแล้วจะนี่จะออกพรรษาในวันเดือน10บเพนไม่ได้เพราะงั้นเถอะเหมือนกับพระเข้าพรรษาแรกต้องออกไปเดือน12บสอเพนจึงออกพรรษาได้แค่ว่าเลื่อนไปอีกหนึ่งเดือนเพาะงั้นเถอะเมื่อเข้าพรรษานี่แล้วก็ต้องเลื่อนไปอีกหนึ่งเดือนแค่ก็ออกพรรษาหลัง ขยับไปอีกหนึ่งเดือนจึงออกพรรษาได้อันนี้คือพระวินัยที่พระพุทธเจ้าบัญญัติให้พวกเราประพฤติธปฏิบัติสรุปแล้วก็คือหลักพระวินัยเนี่ยยืดหยุนยืดหยุ่นได้นิดหน่อยหรือว่าตามเหตุผลอย่างที่ผมได้พูดให้พวกท่านทั้งหลายฟังก่อนลงพระปฏิโมกนั่นนะว่าเหตุที่ไม่ลงปฏิโมกกี่อย่างเหตุที่ไม่ลงปฏิโมกหรือ จะต้องลงปฏิโมกต้องทํำยังไงองค์หนึ่งทำยังไงสององค์ยังไงสามองค์สี่องค์ทํำยังไงสวดฟังพระปฏิโมกแต่ถ้าว่ามีเหตุจําเป็นที่ไม่ลงปฏิโมกเพราะอะไรสรุปแล้วก็คือพระพุทธเจ้าไม่ใช่สื่อบื้อว่ากันเลยสรุปลงง่ายๆพระพุทธเจ้ามีเหตุผลสมควรจะทํำยังไงการเทศะการสถานที่บุคคลเช่นไรไม่ใช่ว่า มีปัญหาสัตว์ดุร้ายเข้ามาอารวาดอยู่ก็ยังลงปฏิโมกพกุทธิสุขก็เลยสัตว์ทั้งหลายก็เลยช้างก็เลยมาฆ่าพระในวัดหมดพ่อขําลังลงปฏิโมกอยู่นะอย่างนี้พระพุทธเจ้าจะไม่ให้ทําต้องหลบซะก่อนหลบภัยซะก่อนเอาความปลอดภัยไว้ก่อนแล้วค่อยว่ากันทีหลังปฏิโมกไม่ใช่ว่าจะเทนตรงชนต้นไม้ก็ต้องปีนขึ้นชุก่อนยังลงไปทางนู้นอีกไม่ใช่อย่างนั้นนะ่ะ วันนั้นศาสนาของพระพุทธเจ้าไม่ใช่ศ า, าสนาซื่อบื้อว่างั้นเลยศาสนาเหตุผลการที่จะทำอะไรต้องมีเหตุผลแต่ว่าเหตุผลนั้นไม่ใช่ว่าเราเอาเหตุผลความมักง่ายของเราเอากิเลสของเราเข้าไปว่าไม่ใช่ถ้าเราจะทำอย่างนั้นเราก็รู้แก่ใจว่าเราทำอันนี้เพราะอะไรไม่มีใครที่จะรู้ยิ่งกว่าตัวของเราอีกเราขี้เกียจหรือเปล่าที่ไม่ลงอุโบสถนี้อย่างนี้เป็นต้นนะขอให้ม้พวกเพกื่อนทุกอง ให้เข้าใจตามนี้นะแต่เมื่อวานในผมก็เข้าไปกราบองค์หลวงตามหาบัวที่วัดป่าบ้านตาได้ถวายเจตุปัจจัยยีทีผมได้พูดให้ฟังนั่นแนหะแต่วันนี้ผมก็คงจะประกาศให้สัตยาญาติโยมได้รับทราบ พ, พบาะจตุปจนะัจจัยนั้นไม่ใช่ของผมและไม่ใช่ของผู้หนึ่งผู้ใดเป็นปัจจัยกลางและเขาไปถวายหลวงตางวดงานที่สร้างโรงพยาบาลตึกสง์หรือสร้างตึกโรงพยาบาลสิบชั้น พวกเราวัดของเราเนี่ยจ่ายงวดที่สามเหมือนกันเถะคือหลวงตาเป็นประธานในการสั่งจ่ายทุกงวดทุกงวดแต่คราวนี้หลวงตาเป็นผู้ซื้อก๋วยเตี๋ยวบหมือนนเะเราเป็นผู้จ่ายเงินว่คราวนี้นะเราจ่ายงวดที่สามเหมือนกันะสามล้านแปดแสนกว่าผมไ็ได้ถวายหลวงตาแลยเมื่อวานเข้าไปกตอนบ่ายท่านไปสกล น, นครไปบ่อยสกล น, นครทุกวั น, นไปกราบอาจารย์ของท่านเหมือนกันะ ประกาศพิพิธภัณฑ์หลวงปู่มันไปเกือบทุกวันถ้าไม่ได้ไปที่อื่นแล้วนะแสว่าไปก็กลับมามือวันมาปูป่พระก็เลยกำลังนวดเจ่นถวายท่านอยู่ผมก็เลยเข้าไปก็เลยเข้าไปนวดเส้นถวายองค์ท่านเหมือนกันช่วยช่วยกันนวดท่านก็มานานหรือยังพอท่านลืมตาขึ้นมาเห็นผมผมก็เลยกราบเรียนว่ามาประมาณสักสามสิบนาทีแล้วกับผมโอ้เรา แกเตรียมทนแล้วมันไม่ไหวและร่างกายเนี่ยแต่เราก็ไม่เดี๋วพี่ตกกังวลอะไรกับมันหรอกยังพูดจังเด็ดเดี่ยวอยู่นะเอ้ยังว่าความเด็ดเดี่ยวเนี่ยยังแข็งปังอยู่งั้นเถอะ อ, อายุเก้าสิบหกปีแล้ววันที่สิบสองสิงหาเนี่ยวันนี้ก็เป็นวันที่เท่าไหร่วันที่ห้าผมไปมเมื่อวานวันที่ห้าสิงหาห้าสองแต่อายุของหลวงตาเนี่ยวันที่ 12, สิบสองสิงหาเนี่ย ครบเก้าสิบหกปีแปดรอบพอดีบ้างเง้นนะอายุของท่านขนาดนั้นน่ะแต่ว่าเดินก็ไม่ค่อยนั่นแหละได้ประยุงอยู่บ้างกลัวท่านจะหกล้มฮะพวกเราขึ้นนวดเส่นเจ็ดแล้วท่านก็ทุกมานั่งเทิพวกพระก็ลงไปหมดแล้ยมีแต่ผมนั่งอยู่ต่อหน้าท่านองค์เดียวผมก็เลยกล่าวกราบเรียนท่านว่ากับผมกับคณะสงฆ์ศรัทธายาติโยมขอถวายปัจจัย แทนองค์หลงตามคือการก่อสร้างคราวนี้งวดที่สามพวกกระผมวัดกับผมพวกคณะศนะสัตยา ญ, ญาติโยมที่ร่วมกันถวายแทนหลวงตาสามล้านกว่าบาทกระผมั่นก็เออดีแต่เงินเราก็ไม่ได้จ่ายละงวดนี้ดีละจากทั้งๆก็พูดแล้วท่นนี่นี่นะเรื่องจิตตภาวนาของเราเนี่ยมันแน่นปึ่งมาตั้งแต่ไหนแต่ลายมา เราจำไม่ลืมว่าเราเรียนปริยัดอยู่เจ็ดปีจากนั้นเราออกมาปฏิบัติเกปีเป็นเวลาสิบหกปีสิบจหกพรรษาที่เราน็อกกิเลสลงนอนอยู่กับพื้นท่านพูดจากท่านะนี้นหะ เ, เราน็อกกิเลสลงกับพื้นเราทำความเพียรอยู่เก้าปีที่แรกเราก็ เ, าเราจะไปสวรรค์ ไปสวรรค์ลแล้วก็ลงมาเกิดอีกถ้าไปพรมก็ต้องลงมาเกิดอีกไปนิพพานแต่นิพพานจะไปยังไงจะเดินยังไงจะปฏิบัติยังไงแต่นี้ก็ต้องศึกษาเลยท่านะค้นคว้าท่านวานนะท่านพูดเมื่อวานพอโค้นคว้าไปกับหาครูบาอาจารย์อะไรท่องค์นั้นบางองค์นี้บางแต่มาเจอแต่ความมุ่งหมายก็คือหลวงปู่มั่นพอมาเจอหลวงปู่มั่นเท่านั้นแหละหลวงปู่มั่นพูดเทศให้ฟังอย่างถึงใจมาก วันนั้นพอลงจากกุฏิของท่านแล้วเราจะเอาอยัางไงถามตัวเองนะยังไม่ถึงกุฏินะทำไมยังเดินไปยังไม่ถึงกุฏิตัวเองเราจะเอาอยัางไงวะเราได้ฟังก็ได้ฟังอย่างเต็มหูละวันนี่ได้ฟังอย่างถึงใจด้วยว่ามรรคผลนิพพานยังมีอยู่ไม่ไปที่ไหนถ้าว่บยังมีผู้ปฏิบัติมรรคผลนิพพานมีอยู่ยังคงเช่นคงวาเหมือนกับคลังพุทธการ เว้นเสียแต่คนที่ไม่หาทรัพย์ว่าทรัพย์หมดจากโลกไปแล้วแต่พูดยังมีการเสะแสวงหาทรัพย์อยู่ทรัพย์ไม่หมดจากโลกเราจะเอาอยัางไงตัดสินใจในเดียวนั้นเลยเถิดตายเป็นตายเอาชีวิตเป็นเดิมพันที่ท่านพูดเมื่อวานนี้นะเราเอาชีวิตเป็นเดิมพันเราจะต้องเอาให้พ้นทุกข์ให้ได้ตั้งแต่บัดนั้นมาการงานสิ่งไหนข้อตามที่เราทํามาแต่สมัยเราเป็นหนุ่มอยู่กับพ่อกับแม่เนี่ย พ่อกับแม่ต้องต้องอิจฉากันหนอยเราเป็นคนจริงจังนะถ้าว่าเราทําสิ่งไหนก็ตามเราจะทําสิ่งนั้นช่วยคุณพ่อเออแม่ขวโ อ, อ, อ้เขานี่เป็นผู้มีวัดชนะดีนะลูกช่วยใช้เข่ า, าไทไล่ไทนาะทำรู้สึกคือ ง, งานผู้ชายท่านทําหมดแทนพ่อเหงือนกันแต่ออพ่ออยู่ด้วยกันถ้าท่านพ่อคุณพ่อเอ อ, อยากจะไปนู่นจะไปเนีเออ่พ่อจะไปก็ไปได้นะ เดี๋ยวผมจะทำให้พ่อรีบไปเลยเกคล้ยๆกับวางใจได้เลยเกับลูกคนนี้ท่านพูดเมื่อวานนี้นะ เ, เราก็ทำให้อย่างถึงใจ เ, เป็นที่พอใจพ่อกลับมาแล้วก็วางใจได้ว่ายิ่งดีกว่างานที่พ่อทำซะอีกค่ะแต่ท่านก็ บ, บอกพูดอีกนะว่าพ่อกับแม่เนี่ยถ้าเปรียบเทียบความฉลาดความรอบครอบความโง่ความฉลาดแล้วแม่เนี่ฉลาดกว่าคุณพ่อมาก คุณพ่อเนี่ยรู้สึกว่าซื่อแต่จิตใจมั่นคงอันนี้ท่านก็พูดในให้ฟังเมื่อวานนี้ว่าไ ง, งจากนั้นท่านก็พูดดินี่นะเอ่อในการประพฤติปฏิบัติธรรมเราเนี่ยไม่มีความสงสัยเรานี่หมดแล้วหมดมาตั้งแต่วัดลอยธรรมเจดีสมัยนั้นจบจากนั้นมาไม่มีอะไรที่จะมาเครือบแฝงสงสัยอีกแล้วถึงใครจะโจทย์เราว่าเป็นบัตรสังฆาปาลายชิกข้อไหนก็ตามอะไรก็ตาม มันไม่มีแล้วในตัวของเราเราเนี่ถ้าจะว่าไปแล้วก็คือเป็นผู้มีสติวินยัยมีสติวินยัยถึงจะผิดพลาดไปก็ผิดพลาดโดยที่เป็นบางบางสิ่งบางอย่างเข้ามาส่วนประกอบแต่ในใจของเราไม่มีอะไรแล้วีท่านพูดเมื่อวานพูดอย่างเด็ดเดี่ยวอาจฐานมากว่างังแต่ยังไว้ลายราชสีว่างแต่พูดง่ายนี่แหละเราเองเนี่ยเห็นพระอยู่ในวัดของเราเนี่ยมาใช้โทรศัพท์ เรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องนี้เรื่องนั้นมันเกินขอบเขตเเรานี่เห็นแล้วมันยังไงมันมันจะเหยียบย่ำทำลายนะเราจะไล่หนีจากวัดนะแล้วก็เราให้ทำอีกอย่างหนึง่งมัจาเป็นจะต้องทำแต่ว่ามันทำเกินความจำเป็นเนี่ยเออมันพั่มเพื่อเรื่องลังจนเกินไปมันออกจนเกินงามเ่ยมันเป็นยังไงพระใ น, นวัดของเราเนี่ยเมื่อวานก็พูดลักษณะนี้นะเอออันนี้พวกเราฟังเอาไว้เหมือนกันแล้วก็เป็นพระ มาพูดคนมาพูดว่าเนี่ยเป็นลูกบุญธรรมเป็นลูกบุญธรรมของพระในวัดเนี่ยเราได้ยินแล้วทำยังไงมันทําไมมันพระเนี่ยจะเป็นรับเป็นลูกบุญธรรมเนียขนาดตัวเองก็ยังเอาตัวไม่รอดอยู่แล้วอย่าไปเอากลับคนนั้นคนนี้มาเป็นลูกบุญธรรมมันเรื่องกิเลสทําไมมันพระไปหายุ่งมันเหยียบย่าทําลายนะเราดีนะเราไม่เคยนัดนะ เราดูดูแล้วเราจะไล่พัดออกจากวัดนะเมื่อวานโอ้ดูสิว่าท่านพูดอย่างเข้มงวดเหลือเกินเมื่อกันเถอะดูดูแล้วไว้ลายราชสีเลยเมื่อกั้นเถอะเออนี่แหละที่หลวงตาพูดเมื่อวานเนี่ยแต่สรุปแล้วก็คือท่านให้ตัดกิเลสภายในจิตใจอย่าไปยุ่งเหยิงวุ่นวายกับโลกมากจนเกินไป เ, เข้ามาบวชแล้วให้ดูใจของตอนเองให้ดูหน้าที่ของตอนเอง เราเป็นพระในพระพุทธศาสนาเราเป็นพระศากยาบุตรสิ่งไหนที่เป็นเป็นเป็นธรรมเป็นวินัยเราก็ควรจะศึกษาและปฏิบัติจุดนั้นให้เข้มแข็งเนี่อย่าไปอ่อนตามโลกจนเกินไปถ้าอ่อนตามโลกเกินไปแล้วก็เหมือนกับขาหนึ่งเหยียบเกาะพระพุทธศาสนาอีกขาหนึ่งย่างอยู่ทางโลกอย่างนั้นมันจะไปได้อย่างไงมันขามันถ่างอย่างนั้นผลที่สุดหนักตัวเอโลกหัวขมั่มไปทั้งโลกเสิ เอโลกก็จะไปทําก็อยากไปจะทําอย่างนั้นได้เหรอออันนี้ไม่ใช่ท่านพูดนะผมพูดมาไงตัวนี้ท่านพูดในะลักษณะอย่างนี้เหมาไงเมื่อวานเลยผมได้ยินแล้วก็เออควรจะมาทํามาพูดมาแนะนำหมู่พวกเพื่อนให้ได้ยินได้ฟังด้วยเมื่อวานในะท่านพูดอย่างเด็ดเดี่ยวอาถานพ์สรุปแล้วก็ต่ก่อนทั้งก็พูดอยู่แต่ก็ท่านก็เหนื่อยแต่อายุเก้าสิบหกปีขนาดนี้ท่านพูดเมื่อวานเนะี่ยพูดด้วยความตั้งใจจริงๆเหงมอาองเลย ผมก็ฟังฟั ง, ฟงดูแลก็เออฟังด้วยความตั้งใจ ด, ด, ดูดูดูหน้าของท่านอาปากบ อ, อแล้วงั้นต่อหน้าของท่านอันนี้ก็ขอให้หมู่พกเพื่อนหน้าตาอกตั้งใจผมจะได้ไปธุระน้าวันนี้เขานหมนไปท่านองค์คมนตรีสร้างโรงเรียนที่จังหวัดสกลนครโรงเรียนสกลราชวิทยานุ ก, กูลอะไรสี่ชั้นสิบแปดห้องเรียนงบไปเท่าไหร่ยี่สิบสี่ล้านเจ็ดแสนบางที่ท่านสร้างนะ ก็หลังใหญ่พอสมควรแล้วก็ท่านก็เป็นผู้มีบุญคุณด้วอว่ารู้จักกับผมมาตั้งแต่นมนานท่านนิมนต์ไปคือเอา้าแล้วก็อาคารหลังนี้ก่อนที่จะเกิดขึ้นมาได้ก็เขาก็มาท่านก็มาหาผมเลยละ่ะพวกลูกน้องของท่านผมก็แนะนำไปทางสกล น, นครจากนั้นก็ได้ลงตรงนี้ว่า ง, งั้นแต่ขราวนี้เมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วแต่จะมอบแล้วก็เป็นวันเกิดของท่านอีกต่างหากผมก็เลยในฐานะที่เป็น น้องนุ่งของท่านข้าจะว่าไปแล้วก็ท่านมีอายุพรรษารู้จักกันนานมาตั้งแต่ 2,512 คิดดูสิว่าผมรู้จักกับท่านมานานขนาดนั้นแหละแต่ผมก็ไม่ได้เข้าไปยุ่งเยงือุ่นวายอะไรหรอกเน่ยผมก็อยู่ห่างๆเหมือนกันนะผมผมเป็นพระป่าผมไม่คุ้นเชื่องกับใครง่ายๆนะแต่ถึงจะสนิทสนมกันยังไงยังไงก็ในใจนะี่ก็ยังเราเป็นพระนะเราเป็นลูกศิษย์พระพุทธเจ้านะเราจะไม่ขอให้ใครเดือดร้อนนะ เราจะไม่ขอราบขอยศจากใครนะเอ่อเราจะไม่ขอความสรับสริญจากใครนะเราต้องเป็นตัวของตัวนะยืนด้วยตัวเองนะอัตหิอั ต, อ ต, ตโนนาโถนะตนแลเป็นที่พึ่งของตนนะโกหิหนาโถปรโรจิยาคนอื่นใครเลยจะเป็นที่พึ่งเราได้ถ้าเราชั่วเสียยเยเเส้ยอย่างเดียวถ้าเราดีเสอย่างเดียวเท่านั้นน่ะเออเราเป็นที่พึ่งของเราแล้วส่วนอื่นเราเป็นหลักแล้วเอ่ออะไรอะไรก็า ม, whatever, มาเกาะเราได้มดแมลงอะไรก็มาเกาะเราได้แต่เราเป็นหลักถ้าเรา ล้มลงไปแล้วไม่มีใครที่จะเกาะเราได้อันนี้ก็เหมือนกันเราต้องเป็นที่พึ่งของเราเนะี่เพราะนั้นพวกเราทุกท่านนะเให้เป็นที่พึ่งของตนเองให้อยู่ด้วยความสงบสุขนะและการอยู่ด้วยการก็ให้ระมัดระวังหลายองค์อย่าให้มีปัญหาเพราะผมก็มั่นใจว่าพวกท่านเนีได้รับการศึกษามาดีแล้วนะแต่ถึงยังไงการได้รับการศึกษามานั้นมันยังไม่เพียงพอนะเพราะกิเลสมันไม่อยู่ใน ผู้ได้รับการศึกษาหรือไม่ได้รับการศึกษาทําให้ขัดไม่เกลา้าไม่ฝึกขัดดัดนิสัยและกิเลสยิ่งตัวโตนะเพราะนั้นให้พวกเราจะกัดออกกิเลสในใจของเราโลภมันเป็นยังไงโกรธมันเป็นยังไงหลงมันเป็นยังไงโกรธมันเป็นยังไงไอจิตชาพยาบาทหมูเป็นยังไงโมโหโธสุให้แก่หมูพวกเพื่อนเป็นยังไงครูบาอาจารย์เป็นยังไงนี่ให้พวกเราดูนะดูกิเลสในใจของพวกเราท่านทั้งหลายเอาตอนนี้ไป ก็ขอใน ม, มน์องค์ที่จะจำพรรษาตั้งใจอธิษฐานพรรษานั่งคุกเขา่าประนมมือว่านโมสามจบแล้วก็อธิษฐานพรรษา